ตั้งเป้าเอาความแปลกใหม่ที่ใช้ได้จริงการพยายามคิดสร้างอะไรจากศูนย์หวังจะให้เป็นของใหม่หนึ่งเดียวในจักรวาลมักได้ผลอยู่สองแบบแบบแรกคืองานมโนศิลป์หรือที่เรียกแอป t ต a c อาร t ที่เอาไว้ให้ไม่กี่คนในโลกดูเล่นเพลินเพลินถ้าขืนเอาไปวางแบกตามทางมักเจอข้อหาว่า เป็นผลงานเด็กกระถมวาดรูปไม่เป็นปันรูปไม่เสร็จแบบที่สองคือข่าวของที่ใช้ไม่ได้จริงคือแม้แต่เจ้าตัวคนสร้างก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรถ้าจะนับเป็นไอเดียก็มักโดนต่อว่าว่าออกไอเดียได้สลืมสลือมากแม้เจ้าของผลงานจะนึกว่าเป็นไอเดียบันเจิดจ้าขนาดไหนก็ตาม งานที่คู่ควรกับการถูกนับเป็นไอเดียแปลกใหม่มักเกิดจากการผสมผสานเอาของที่ใช้ได้จริงอย่างหนึ่งกับของที่ใช้ได้จริงอีกอย่างมารวมตัวกันและเป็นการรวมร่างที่ลงตัวใช้จริงได้ครบไม่ใช่กัดขาดเกินเกินเอถอะทะเกินไปหรือแห่งวิ้นชอบกนส่วนสุดยอดไอเดียที่จะประสบความสาเร็จอย่างสูง ขายได้นานๆต้องไม่ใช่แค่ของใหม่ที่ใช้ได้จริงแต่ต้องใช้แล้วติดใจหรืออยากใช้ไม่เลิกด้วยหากคุณเป็นคนช่างคิดช่างประดิษฐ์ไปจนชั่วชีวิตก็มักเป็นไปได้ที่จะสร้างสุดยอดไอเดียขึ้นมาได้สักครั้งโดยอาจเริ่มต้นจากความอยากใช้ของอะไรสักชิ้นที่ไม่เคยมีใครทํามาขายต่อยอดเป็นการกล้าเหนื่อยกล้าลงมือเอง และยอมลำบากปรับแก้แล้วปรับแก้อีกกระทั่งสาเร็จเป็นที่พอใจของตนแล้วแพร่หลายกลายเป็นความพอใจของคนอื่นจำนวนนับไม่ถ้วนส่วนคนที่จะสร้างสุดยอดไอเดียได้มากกว่าหนึ่งครั้งต้องไม่ใช่แค่คนธรรมดาที่อยากใช้ของอะไรสักอย่างแล้วสร้างเองเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นศิลปินที่มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวคนเดียวอีกด้วย คือกล้าฝันหลากหลายแล้วทดลองความฝันในโลกความจริงไม่รู้จบถามตัวเองถามคนอื่นแล้วแล้วเล่าเล่า ว, ว, ว่าอะไรอย่างเนี้ยคนธรรมดาอย่างเราๆราท่านท่านใช้ได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คนที่ใช้จริงจะติดใจแค่ไหนอะไรอย่างนี้คนที่ติดใจเขานึกอยากแชร์ให้เพื่อนๆนเพียงใดถ้าถามเอาความจริง ไม่ใช่ถามสร้างคะแนนเข้าข้างความฝันในที่สุดก็จะพบว่าหลายฝันมีน้ำหนักพอจะได้ที่ยืนในโลกความจริงคนไอเดียดีแถมมีไอเดียได้ไม่จำกัดเขาคิดแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปอย่างไรต้องฝึกอะไรแค่ไหนถึงจะสร้างคนประเภทนั้นขึ้นมาสำเร็จต้องหวังพรสวรรค์หรือต้องพึ่งพาพรแสวงมากกว่ากัน ตั้งโจทย์ให้แคบลงกว่านั้นก็ได้ไอเดียเป็นสิ่งจงใจฝึกสร้างได้หรือต้องปล่อยให้บังเอิญเกิดเองไอเดียเป็นวิทยาศาสตร์หรือศิลปะไอเดียเป็นเรื่องของบุญใหม่หรือเรื่องของบุญเก่าบันดาลไอเดียที่ยกระดับชีวิตได้อย่างสำคัญอาจจำเป็นต้องพูดพาดพิงไปถึงเรื่องบุญเก่าที่มองไม่เห็นแต่ไอเดียทั่วไป ที่สะท้อนว่าไอเดียดีนั้นเป็นเรื่องบุญใหม่ที่จับต้องได้จงใจสร้างได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์หลักการพื้นฐานที่จะเอื้อให้ไอเดียใหม่ดีๆผุดขึ้นเองคือฝึกคิดฝึกจินตนาการรวมร่างให้กับสิ่งต่างๆบ่อยๆกระทั่งระหนักว่าการรวมร่างสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในใจคุณก่อน แล้วของจริงค่อยตามมาที่หลังปกติคนเราจะจ้องมองบางสิ่งบางอย่างความคิดกับมุมมองจะถูกตรึงไว้กับสิ่งที่กำลังถูกจ้องมองอย่างเดียวเช่นเมื่อตามองทรงกลมใจคุณจะนึกแต่ทรงกลมอยู่ๆจะไม่นึกถึงรูปทรงอื่นขึ้นมาเองกระทั่งมีใครเอากรวยสามเหลี่ยมมาวางใกล้ๆใจของคุณ จึงค่อยรู้สึกถึงการอยู่ด้วยกันระหว่างทรงกลมกับกรวยสามเหลี่ยมการอยู่ร่วมกันในระยะห่างระหว่างทรงกลมกับกรวยสามเหลี่ยมอาจไม่กระตุ้นให้กุณนึกเชื่อมโยงไปถึงสิ่งอื่นทรงกลมคือทรงกลมกล้วยสามเหลี่ยมคือกล่วยสามเหลี่ยมพวกมันแค่มาอยู่ใกล้ๆกันเท่านั้น แต่ถ้าใครเอากรวยสามเหลี่ยมขึ้นไปวางไว้บนทรงกลมเห็นแวบเดียวใจคุณอาจประวัติถึงหัวตุ๊กตาใส่หมวกสามเหลี่ยมทรงสูงได้กลับกันหากเอากรวยสามเหลี่ยมไว้ข้างล่างคุณอาจนึกถึงอะไรอื่นเช่นโปะฝ่ายกลมบนฐานสูงยิ่งถ้าหากเปลี่ยนขนาดกรวยสามเหลี่ยมโดยลดส่วนสูงลงครึ่งหนึ่งคุณจะยิ่งรู้สึก เหมือนเป็นโปะไฟกลมในความเป็นจริงมากขึ้นด้วยอีกทางหนึ่งหากใครจัดวางตำแหน่งให้ทรงกลมผสมกันกับกรวยสามเหลี่ยมในลักษณะที่ไม่อาจกระตุ้นให้นึกถึงรูปทรงใดๆที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันคุณก็จะไม่รู้สึกอะไรมากไปกว่าการรวมร่างกันมั่วๆระหว่างทรงกลมกับกรวยสามเหลี่ยมท่าทาง คงจะเอาไปใช้การอะไรไม่ได้จริงเป็นแน่สำหรับเรื่องนี้ในหนังสือมีภาพประกอบครบถูกภาพนะครับซึ่งจะทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่ากระบวนการเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรในแบบที่ใช้ได้จริงก็ยืนอยู่บนพื้นฐานทั้งหมดที่คุณเห็นไปแล้วนั่นเอง มาลองดูตัวอย่างกระบวนการสร้างไอเดียบัรลือโลกของจริงที่ใช้ได้จริงกันทั่วโลกยุคเรานับแต่อเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลต่อสายโทรศัพท์ทางไกลทำให้คนคุยกันได้จากต่างเมืองในปีกรกตศกรา1876เป็นต้นมากู้คนก็เห็นแต่โทรศัพท์เอาไว้คุยกันมาตลอดเป็นเวลานานหลายสิบปีซึ่งถ้าใครอายุมากพอ ที่จะทันยุคโทรศัพท์มือหมุนก็ขอให้ลองนึกทบทวนดูว่าคุณเห็นมันตั้งโต๊ะอย่างนั้นมีสายระยงระยางติดกับผนังบ้านอย่างนั้นมันชวนให้เคยนึกบ้างไม่ว่าวันหนึ่งคุณจะพกติดตัวไปไหนต่อไหนได้คุณไม่คาดคิดแต่นักประดิษฐ์เช่นมาตินคูเปอร์แห่งโมอโเตรโ ล, ล่าเขาคิดและประดิษฐ์มันขึ้นมาสาเร็จ ในปีคริสตศักราช1973เขาทำให้โทรศัพท์กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเพียงหนึ่งกิโลกรัมเศษเบาพอจะติดมือไปได้จริงและนี่จะเป็นตัวอย่างร่างทรงกลมของเรากระโดดมาถึงยุคโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องการพกติดมือออกนอกออฟฟิศไปไหนต่อไหนได้สะดวก แต่กลับทำงานหลากหลายได้เหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคือสามารถแปลงร่างเป็นเครื่องคิดเลขก็ได้เป็นแฟ้มเอกสารมะหึงมาก็ได้หรือเป็นลานตู้เกมที่มีจำนวนตู้อยู่หลายร้อยหลายพันก็ได้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่าออสบอ n ์น1ในปีเกิดของมันคือคริสตศักราช1981 ถึงแม้ว่ามันมีน้ำหนักปลาเข้าไปเกือบ11กิโลกรัมซึ่งเท่ากับว่าคุณต้องแบกโน้ตบุ๊กเบาๆในปัจจุบันร่วม1ิบเครื่องถึงจะเท่ากับออสบอลวันแค่เครื่องเดียวแต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความเป็นไปได้จริงที่จะมีการนำคอมพิวเตอร์ออกไปใช้งานนอกสถานที่ประเด็นคือเมื่อผู้คนจับจ้องคอมพิวเตอร์ก็คิดถึงคอมพิวเตอร์อย่างเดียว ไม่คิดถึงสิ่งอื่นต่อเมื่อมีใครคิดรวมร่างโทรศัพท์เข้ากับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์คุณจึงได้เห็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกขึ้นมาในปีคริสตศักราช1993บริษัท IBM สร้างสมาร์ทโฟนชื่อไซมอนออกมามีความสามารถรับส่งแฟก์จดบันทึกได้และที่โดดเด่นคือรับคำสั่งจากเจ้าของโทรศัพท์ ผ่านหน้าจอทัชสกรีนแทนการกดปุ่มจริงทำนองเดียวกับการรวมร่างทรงกลมและกรวยสามเหลี่ยมสิ่งที่เราเห็นเป็นสมาร์ทโฟนก็คือวิธีคิดสร้างสรรค์ของใครคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่นำโทรศัพท์มือถือมารวมตัวกับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์กล่าวคือบทบาทขนาดและความสำคัญในการใช้งาน เน้นกันที่ความเป็นเครื่องมือสื่อสารติดตัวแม้ว่าดูเผลอๆมันก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งดีๆนี่เองคนทั่วไปเข้าใจว่าสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ข้อเท็จจริงก็คือวันเดือนปีไม่ได้ช่วยให้เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาเองและไอเดียในการรวมร่างมือถือกับคอมพิวเตอร์ ก็ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นถ้าไม่มีใครสคักคนค้นคิดตลอดจนมีศักยภาพมากพอจะทำให้มันเกิดทุกวันนี้เราเห็นสมาร์ทโฟนเกลื่อนตลาดแข่งกันนำเสนอความสามารถหลากหลายขึ้นทุกทีหลายรุ่นบางเฉียบแต่มีความสามารถยิงสัญญาณภาพขึ้นจอโทรทัศน์ได้เชื่อมต่อกับเมาส์และคีย์บอร์ดผ่านพอร์ต USB ได้ แล้วทำงานได้ยิ่งกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ช่วงปลายศตวรรษที่20ิบเสีย อ, อีกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเต็มไปด้วยทรงกลมและครวยสามเหลี่ยมรอให้คุณจับพวกมันมารวมร่างเพื่อจะได้กลายเป็นไอเดียใหม่ซึ่งคุณคิดออกเป็นคนแรกมันอาจจะไม่ใช่ น, นวัตกรรมทางไอทีแต่เป็นเครื่องใช้ในบ้านใหม่ๆเสื้อผ้าใหม่ๆลอดนิยายใหม่ๆ หรือรูปแบบการทำงานในองค์กรใหม่ๆเป็นต้นอะไรก็ตามที่สร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์จากความมีชีวิตมีตัวตนแบบของคุณซึ่งถ้าใช้งานได้จริงคนอื่นใช้แล้วติดใจและอยากแชร์ก็เป็นที่แน่นอนว่าคุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของสินค้าทำเงินตัวใหม่ในเร็ววัน